นอบน้อมต่อคุณพระรัตนไตรัยขอราการหลวงพ่อคำเขียนหลวงพ่อกรมพระอาจารย์ทรงศิลป์เพื่อนสันติธรรมทุกท่านจรินทำไม่ทีทลททและญาติธรรมทุกท่านเราก็ได้ออกพรรษามาก็ร่วมหนึ่งปักนะก็ประมาณเกือบ2อาทิตย์แล้วนะแต่การนี้การออกพรรษาแล้วกับการเํารรษานี้ก็ จริงๆแล้วก็ไม่ต่างกันนะเพราะว่าถ้าเร า, เามีการปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าช่วงเขา้าพรรษานี่เราปฏิบัติธรรมแล้วผ่ออกพรรษารนี้ก็คือเป็นช่วงที่เราไม่ปฏิบัติธรรมนั้นก็เป็นความที่อาจจะเข้าใจไม่ถูกต้องนเนาะครั้นี้ถ้าการปฏิบัติธรรมนี่ก็คือไม่ว่าจะเข้าพรารษาหรือออกพรรษารก็คือเหมือนกันนะก็คือเราก็ต้องมีการรู้ในการที่เราจะเจเริญสติ อยู่เรื่อยๆนะให้มีความรู้ต่อเนื่องกันไปตลอดเวลานะยิ่งถ้าออกภรษาแล้วเนี่ยยิ่งไปบัตรธรรมก็ยิ่งจะดีนะเพราะว่าบรรยากาศก็จะดีด้วยฝนะก็ไม่ค่อยตกฝนะก็หยุดไปแล้วนะอากาศก็กําลังดีไม่ร้อนไม่หนาวมากนะีครั้นี้ถ้าอากาศหนาวก็ยิ่งดีนะเราก็ทำไปบัติธรรมทั้งวันก็ไม่เหนื่อยนะก็เป็นโอกาสที่ดีที่เร า, าเราจะได้อ่า ทำความเพียรได้ต่อเนื่องกันแล้วก็มีความสุขมากขึ้นนะไม่ต้องเจอฝนอะไรแบบสมัยเข้าบรรษานะีคราวนี้เมื่อเราปฏิบัติธรรมนั้นะเราก็จะได้เห็นนะจิตใจของเรานะในการที่เขาเคลื่อนไหวนึกคิดไปต่างๆนานานะกายเคลื่อนไหวนะใจก็รับรู้ในการเคลื่อนไหวไปนะใจก็รับรู้ในอาการต่างๆของกาย แล้ของใจไปด้วยนะยืนเดินนั่งนอนต่างๆเหล่านี้เราก็ไม่ปล่อยให้เขายืนเดินนั่งนอนฟรีๆนะเราก็ตามรู้ไปตามรู้กายตามรู้ใจไปทั้งวันนะเราก็เป็นการปฏิบัติธรรมได้ทั้งวันอยู่แล้วนะากายของเขาก็เป็นสิ่งที่ว่ า, าเขาก็อยู่ของเขาเคลื่อนไหวไปอย่างนั้นนะเราก็รับรู้ไปเรื่อยๆนะเมื่อเรารับรู้ในการที่กายเขาเคลื่อนไหว ใจก็จะเป็นคนรู้เป็นคนดูไปนะอย่างที่คุณหมอพงศักดิ์ก็บอกเมื่อวานนี้แล้วว่านั้นก็เป็นการรู้รู้ผู้นามไปอย่างหนึ่งนะกายเคลื่อนไหวเมื่อก่อนเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเคลื่อนไหวอย่างไรนะถ้าเราไม่มีสติเราก็ไม่รู้นะเราก็ไม่รับรู้ในอาการของการยืนเดินนั่งนอนนะแต่พอเรามีใจเข้ามารับรู้ในการที่เขายืนเดินนั่งนอนนะใจก็เป็นผู้รู้ผู้ดูไปเฉยๆ มันก็เป็นการแยกออกมาว่ากายก็เคลื่อนไหวอยู่แต่ในขณะนี้ใจก็รับรู้อยู่มันก็แยกออกมาว่ากายก็อยู่ส่วนหนึ่งใจก็อยู่ส่วนหนึ่งก็รับรู้ในการเคลื่อนไหวของกายในอบทต่างๆในบทใหญ่ยืนเดินนั่งนอนในบทย่อยก็ดื่มกินพูดคู่แขนเหยียดแขนก้มเงยเดินหน้าถอยหลังอุจฉ ะ, ะปัสสาวะต่างๆเราเนี่ยใจก็รับรู้ได้ในการที่เขา ทำอยู่ในบทใหญ่หรือบทย่อยทั้งหลายนะก็เป็นทั้งบทนะทั้งสัมชัญญนะที่เกิดขึ้นนะใจก็รับรู้ได้นะอยู่บ่อยๆ อ, อยู่ได้เรื่อยๆนะตรงนี้มันก็เป็นการแยกมาให้เราใจเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปสัมผัสนะเข้าไปรูนะ้เข้าไปเห็นนะเป็นผู้ดูเป็นผู้รู้ไปนะ ในขณะเดียวกันใจที่มีความนึกคิดไปต่างๆเราก็กลับมาสังเกตได้นะเราก็เป็นผู้สังเกตใจของเราได้ด้วยใจจะคิดไปทั้งวันก็ไม่เป็นไรนะเราก็ไม่ได้ห้ามความคิดนะแต่เมื่อเขามีความคิดไปแล้วเนี่ยเรารู้ทันไหมนะเขาหลงไปก็ไม่เป็นไรนะหลวงพ่ออาเทียนนั้นบอกว่ายิ่งคิดก็ยิ่งรู้นะก็ไม่เป็นไรนะเขายิ่งหลงก็ยิ่งรู้นั่นเองนะเราก็สังเกตในตรงนี้ได้ว่าเขาก็หลงของเขาทั้งวันได้เหมือนกัน แต่เราก็รู้ของเราได้ทั้งวันเหมือนกันนะเราก็สังเกตไปในการที่เขาคิดไปต่างๆนาๆนาในอ า, า, า, า, ารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในความรักความชังความเกลียดความโกรธ ค, ความอิจฉาริษยาความน้อยใจความเสียใจต่างๆเหล่านี้เราก็สังเกตเขาได้แต่เมื่อเราสังเกตเราก็ไม่เป็นผู้เป็นนะเราก็เป็นผู้ดูผู้รู้เฉยๆตอนนั้นเองเมื่อเราสังเกตเขา เรารู้เราดูเฉยๆเนี่ยเขาก็ดับไปนะเขาก็หายไปนะเพราะเราไม่ได้ไปให้ค่าในสิ่งเหล่านั้นว่าเขาเป็นของเรานะอารมณ์ต่างๆเขามาแล้วเขาก็ไปของเขาเชนั้นเองนะเขาไม่ได้อยู่กับเราถาวรนะเขาเกิดเขาเขาเกิดเขาเองนะเขาดับเขาก็ดับเขาเองไม่ได้เกี่ยวกับเราเราเป็นผู้แค่เป็นผู้รู้เป็นผู้ดูผู้สังเกตเท่านั้นนะเพราะนั้นเราก็เลยไม่ไปยึดติดอารมณ์ต่างๆว่าเป็นของเรา อารมณ์ต่างๆนะถ้าเป็นของเราเราก็มีความทุกข์นะแต่เราเป็นผู้รู้ผู้ดูเฉยๆเราก็เห็นว่าเออเขาก็ไม่ได้เป็นของเราอ่าเขาเกิดเขาก็เกิดๆๆเองเขาก็ดับเขาก็ดับเองนะไม่ไม่ได้เกี่ยวกับเรานะเราก็จะเป็นผู้รู้ผู้ดูจริงๆผู้ผู้รู้ผู้ดูเฉยๆไม่ได้เป็นมีส่วนได้เสียกับตรงนั้นนะเขาก็จากไปนะเพราะการที่เรารู้เฉยๆนั่นแหละเราไม่ได้ให้ค่ากับเขาเพราะนั้นวิธีการจากเจริญสติก็คือเราเป็นการ <c oughs> กลับมาสามารถสังเกตผลทางผลทางแห่งการที่เกิดขึ้นของอารมณ์ต่างๆได้นะวิธีลงมะเทียนนี่ก็คือกลับมาสังเกตความเกิดขึ้นของอามต่างๆได้เร็วขึ้นรู้ที่มาที่ไปของอรมต่างๆเข้ามาแล้วก็ไปอย่างไรในสุดเราก็ย้อนทวนย้อนทวนไปถึงต้นเหตุของการเกิดกิเลสต่างๆได้นะว่าเกิดจากการที่เราไปคิดเป็นึกไปปรุงไปแต่งนั่นเอง นะรับพอเราสังเกตได้เราก็ไม่ไปไปนึกไปคิดไม่ไปปรุงไปแต่งต่อกิเลสต่างๆเขาก็ดับไปนะเขาก็ไม่อยู่กับเรานานนะแต่ถ้าเราไปให้ค่าในอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงต่างๆแล้วเนี่ยนะเมื่อตากระทบนะกระทบรูปตาเป็นในภายในกระทบรูปเพนะื่งเป็นอายตนะภายนอกเนี่ยถ้าไปปรุงแต่งก็เกิดความยินดียินร้าย เนะมื่อเกิดความปรุงแต่งแล้วนะคนก็ไหลเข้าไปในอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นได้ง่ายนะแต่วิธีการลงมาเทียงก็คือกลับมาสังเกตความที่เขาจะไปปรุงแต่งต่อนะตานี่เราก็ห้ามไม่ได้ที่จะไปกระทบรูปแต่เมื่อตากระทบรูปแล้วเนี่ยมีความปรุงแต่งเนี่ยเราจะรู้ทันไหมนะวิธีการลงมาเทียงก็กลับมาสังเกตได้ว่าเราเห็นความปรุงแต่งที่เกิดขึ้นนะก็คือย้อนกลับไปดูต้นเหตุแห่งความที่เขาเกิด ความปรุงแต่งทั้งหลายนั่นเองนะก็เกิดจากความยินดียินร้ายหรือความเฉยเฉยที่เกิดขึ้นนะเมื่อเห็นความยินดียินร้ายเกิดขึ้นแล้วก็วางใจเฉยเฉยเท่านั้นเองก็คือเมื่อตากระทบหูรูปหูได้ยินเสียงแล้วก็แค่ลุยเฉยนะเขาก็จบแล้วในตรงนั้นนะไม่ไปปรุงแต่งต่อเป็นการที่เราเราย้อนกลับมาดูสมุทัยของความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะ เมื่อเราย้อนกลับมาดูสมุทัยก็คือรู้เท่าทันความปรุงแต่งในอายตนะภายในและยัดไปนอกที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยความปรุงแต่งก็ปรุงแต่งต่อไปไม่ได้อนะีกเพราะเรารู้ทันต้นเหตุหรือสมุทัยของความทุกข์ต่างๆแล้วนะความทุกข์ก็กรดับไปในตรงนี้เราก็กลายเป็นว่าผู้ที่จบจากความทุกข์ได้เร็วเป็นผู้ที่อยู่เหนือความทุกข์เป็นผู้ที่เห็นความทุกข์ นะเหมือนอย่างที่หลวงพ่อคําเทียนเนี่ยบอกว่าเห็นแต่ไม่เป็นนั่นเองเนาะก็คือจากเมื่อก่อนที่เราเป็นนะเป็นผู้มีความทุกข์เราก็กลับมาเป็นผู้เห็นอ่าแล้วก็ไม่เป็นผู้ที่มีความทุกข์อีกต่อไปนีความทุกข์ต่างๆก็ดับไปอย่างรวดเร็วนะแล้วก็ไม่ไม่สามารถที่จะทําให้ใจของเราเนี่ยจมอยู่ในความทุกข์ได้ยาวนานเหมือนสมัยก่อนนะอันนี้ก็เราจะเอาแต่ความทุกข์ได้เร็วนะมืนที่หลวงพ่อเทียนนั่งท้าไว้ว่าอ่าให้เวลาไม่เกิน3ปีนะความทุกข์เราก็จะลดลง มันเลยจะดับไปหมดไปในที่สุดนะก็เพราะเหตุนี้นั่นเองเพราะเราสามารถรู้เท่าทันสมุทัยของต้นเหตุแห่งความทุกข์ได้ทั้งหลายแหล่นะว่าจริงๆแล้วความทุกข์ก็เกิดจากใจของเราใจเราที่ไปยึดติดนะไปยึดมั่ยึดมั่นถึงมัน่นต่างๆว่าเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนเป็นของเราเป็นของเขาอันนี้พอเรายึดปั๊บเนี่ยเมื่อมีอะไรกระทบปุ๊บว่าเป็นของเราเป็นของข้าพเจ้าเสียงต่างเป็นของเรานะ เป็นตัวเป็นตนของเรานะและนอกจากเป็นตัวเป็นตนเราก็เป็นของเราเองนะเป็นภรรยาเป็นลูกเป็นสามีทรัพย์สินต่างๆเป็นของเรานะตรงนี้มันก็เป็นความทุกข์ทั้งนั้นนะแต่เมื่อใจเราเห็นถึงความที่ว่าเราไปยึดมั่นทั้งหลายแล้วเนี่ยก็คือย้อนกลับมาที่สมุทยในความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวเป็นตนในตรงนี้จิตก็จะค่อยๆคลายจากความยึดติดในความเป็นตัวเป็นตนก็คือเห็น สภาวะต่างๆเป็นแค่รูปแค่นามเท่านั้นนะไม่ใช่ว่าเป็นตัวเป็นตนของเราตัวตนเราก็เป็นเรื่องของรูปเท่านั้นเองนะจิตใจต่างๆก็เป็นเรื่องนามทั้งหมดนะมันไม่ใช่ไม่ตัวเป็นตนอยู่ในตรงนี้นะมันก็แยกกมาแล้วจากการที่เราเห็นว่าเออตัวตนเรายืนเดินนั่งนอนนะเราได้เห็นว่าเป็นแค่รูปที่เขายืนเดินนั่งนอนนะเมื่อก่อนว่าเราเป็นคนคิดเราเป็นคนรักคนชัง ก็เห็นว่านามเป็นแค่เป็นนามคิดนามลักนามชังมันก็แยกออกจากตัวตนในตรงนี้ว่าเป็นของตัวตนของเรากลายเป็นแค่รูปแค่นามนะในสุดก็จะวางรูปวามนามได้ง่ายขึ้นนะมันจึงไม่ต่างกันระหว่างรูปนามตัวตนของเรากับสรรพสัตว์ทั้งหลายนะสรรพสัตว์ทั้งหลายแม้แต่สุนัขก็เป็นรูปเป็นนามเหมือนกันนะเราจึงไม่ต่างจากสุนัขทั้งหลายก็เป็นรูปเป็นนามเหมือนกันนะเพราะนั่นเหมือนกับที่หลวงพเทียนท่านในตอนที่ท่านบรรลุธรรมใหม่ ก็มีแมงป่องตกมาที่ที่เท้าของท่านท่านก็เห็นว่าแมงป่องก็ไปรูปเป็นนามนะตัวท่านก็ไปรูปเป็นนามเหมือนกันเพราะนั้นก็ไม่มีอะไรต่างกันก็ไม่เกิดความกลัวเกิดขึ้นในตรงนั้นนมันก็วางหมดนะในรูปในน้ำมันก็วางได้นะตัวเรากับแมงป่องก็เหมือนกันเป็นรูปเป็นนามเหมือนกันมันก็วางความยึดมั่นถือมั่นในรูปนามทั้งหลายเหล่านี้ได้เร็วได้ง่ายขึ้นเมื่อมันวางมันก็เลยวางไปตรงๆ มันไม่ได้ไปคิดปรุงแต่งว่าอันนี้เป็นอะไรนู้นอย่างนีนนะ้ก็คือมันก็วางก็คือวางไปตรงๆนั้นเลยเองนะนะก็คือรู้เฉยมันก็จบในตรงนั้นเพนะราะฉนั้นถ้าเราเข้าใจว่าเราก็เป็นแค่รูปเป็นนามเพนะราะฉนั้นเพื่อนเราที่เป็นศัตรตูก็ดนะีเพื่อนเราที่เป็นมิตรก็ดนะีก็เป็นแค่รูปแค่ตามนะเราก็ไม่ได้ไปยึดติดในตรงนั้นว่าเข า, าเป็นศัตรตูกับเรานะคนนี้เป็นมิตรกับเรานะตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ทั้งหมดนะ เราก็ไม่มียึดติดในตรงนั้นว่าเออเขาต่างจากเราเขาดีกว่าเราเขาเลวกว่าเราเขาเสมอเรานะมันก็วางมานะวางทิฏฐิวางตัววางตนวางสักกายทิฏฐิได้ทั้งหมดนะก็ความที่เป็นรูปเป็นนามเสมอกันนั่นเองนะและในที่สุดทั้งรูปทั้งนามก็คือเป็นสิทธิตรงละต้องคลายจากความยึดติดในรูปนามทั้งหมดด้วยเหมือนกันหมดจึงไม่มีสรรพสัตว์ไม่มีสรรพสิ่งทั้งหลายที่เราจะไปยึดมัน่นคือมันติดต่อไปนะมันก็าวางทั้งหมดนะมันก็หลุดจากความทุกข์ทั้งหมด พรความทุกข์ก็เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนนี่แหละในอุปทานฐานขันธ์ทั้ง5ก็เป็นความทุกข์นั่นเองเมื่อวันวางมันก็จบที่ว่าวางความทุกข์ได้ทั้งหมดนั่นเองเนาะดังนั้น <c oughs> สาเหตุของความเกิดทุกข์ก็คือความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายนี่แหละพอเราย้อนกลับไปดูต้นเหตุก็เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวเป็นตนนี่แหละเขาก็จะวางเขาได้ นะวางในโลภะโทสะโมหะก็วางได้ทั้งหมดเลยนะเพราะเรารู้เท่าทันความปรุงแต่งได้ทั้งหมดแล้วเขาก็วางทั้งหมดนะก็เกิดจากการที่เรารู้นะเราเป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นนั่นเองนะนะทุกอย่างก็จบในตรงนั้นรนาะการที่เรากลับมาส า, สามารถสังเกตนะกายไล้ใจนะได้ในปัจจุบันนี่แหละมันก็เป็นต้นเหตุเป็นเส้นทางการเดินแห่งความพ้นทุกข์ได้นั่นเองเนาะ คราวนี้นะถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยทุกก็จะทำทำอะไรกับจิตใจเราไม่ได้นะเหมือนที่คุณหมอพงศักดิ์ก็เลยบอกว่าเออเราเมื่อเราเข้าใจตรงนี้เราก็โดนธนูยิงแค่ดอกเดียวนะอ่าก็คือเมื่อเราไป็นโรคภัยไข้เจ็บก็เป็นความทุกข์ทางกายเท่านั้นเราห้ามไม่ได้หรอกเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาเราห้ามไม่ได้นะอ่าเราก็ยอมรับไปตามความจริงนะเขาแก่เขาเจ็บเขาตายก็เป็นเรื่องธรรมดา นะเพราะฉนั้นโครคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นทางกายนะก็เป็นเรื่องที่เขาเกิดขึ้นตามธรรมดาอยู่แล้วนะเราห้าไม่ได้เราไม่หน่าที่ยอมรับไปทําความเป็นจริงที่ว่าเกิดขึ้นนะในความเปลี่ยนแปลงต่างๆนะก็นะจะเที่ยงแท้นแน่นอนไม่ได้นะร่างกายคนเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอยู่แล้วเนะมื่อเรายอมรับไปตามความเป็นจริงนะเราก็มีแต่ความทุกข์ทางกายเท่านั้นนะนะแต่ใจของเราเนี่ยมันก็ไม่โดนยิงธนูไปด้วยนะ แต่ถ้าตาบใดที่ใจเองเราไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงในทางกายไม่ยอมรับความเป็นอนิจจังทุกขังก็คือความเปลี่ยนแปลงและความที่ไม่สามารถคงอยู่ในสภาวะเดิมได้เนี่ยถ้าใจไม่ยอมรับตรงนี้มันก็มีความทุกข์อยู่เรื่อยๆนะเพราะมันจริงๆแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงทังตัวเราเองด้วยเปลี่ยนแปลงทั้งสรรพสิ่งที่ล้อมรอบตัวเราด้วยพ่อแม่ญาติพี่น้องของเราออนีนก็ เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดานะแต่ถ้าเราไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นเราก็มีความทุกข์อยู่นั่นเองนะเพราะฉะนั้นความเปลี่ยนแปลงหรือนิจจังหรือทุกขังมันก็เป็นสิ่งที่ว่าเาเข้าเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอยู่แล้วนะตรงนี้ก็คือเมื่อเราเข้าใจในเรื่องอนัตตาคือเข้าใจเรื่องตาคือความที่ว่าเราไม่ใช่ตัวไม่ตนของเราสำหับสิ่งเป็นสิ่งที่ว่าไม่ตัวไม่ตนสัตว์บุคคลตัวตนเราเขา บังคับบัญชาไม่ได้ทั้งหมดเนี่ยเราก็เกิดการยอมรับในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ว่าเออเมื่อเราบังคับบัญชาสิ่งต่างไม่ได้เนา ะ, ะเราก็มีหน้าที่ยอมรับเท่านั้นเองนะเพราะเราจะพยายามบังคับว่าทุกอย่างให้เขาเที่ยงเนี่ยก็ไม่ได้อยู่แล้วน ะ, ะทุกอย่างให้เขาไม่มีความทุกข์ให้เขาทนอยู่ในภาวะเดิมได้ไหมเขาก็ทนไม่ได้อยู่ดีนะตรงเนี่ยเมื่อจิตเข้ามาเห็นถึงอนัตตาจริงๆแล้วในความที่ว่าเขาบังคับบัญชาไม่ได้ จิตก็เลยยอมรับความเปลี่ยนแปล ง, ต, งต่างๆรอบตัวไปด้วยนะเมื่อยอมรับความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอนิจจังลุกขังอนัตตาแล้วนะ <c oughs> ก็เรียกว่าจิตเราตรงต่อสภาวะของสัยธรรมอื <c oughs> เพราะว่าสภาวะของสายธรรมก็คือความจริงในโลกนี้นั่นเองว่าทุกอย่างในโลกนี้ก็ตกอยู่ในกฎตะไครลักษณ์นั่นก็คือความไม่เที่ยง นั่นเองนะทุกอย่างไม่เที่ยงทั้งหมดนี้ก็อยู่ในศาสัรธรรมนะทุกขังก็คือทนอยู่ในภาวะเดิมไม่ได้ก็เป็นศาสตรธรรมนะอนัตตาก็คือทุกอย่างนะไม่ใช่ตัวไม่ตนบังคับบัญชาไม่ได้นี่ก็คือศสตรธรรมนะก็คือทุกสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้รวมทังตัวเราเองด้วยก็ตกอยู่ในกฎปฏิรัศหรือศาสตรธรรมนี้ทั้งหมดนะถ้าเราไม่ยอมรับ นะไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นนะไม่ยอมรับความเดือดร้อนบังคับบัญชาเข้าไม่ได้นี่แหละเราจึงมีความทุกข์นะมีความทุกข์ในตรงนั้นนะแต่เมื่อเราอยอมรับทุกอย่างได้นะจิตเราก็ไม่มีความทุกข์ต่อไปนี่แหล ะ, ละก็คือเราจะโดนยิงธนูแค่ดอกเดียวแต่ใจของเราเนี่ยเราก็ไม่ทุกข์ในตรงนั้นอีกต่อไปแล้วเพราะเราเข้าใจแล้วในความที่ว่าเราไม่อาจที่จะบังคับบัญชาสิ่งต่างๆได้นะเมื่อบังคับบัญชาสิ่งต่างๆไม่ได้จึงไม่ตัวเม่ตนของเรานั่นเองนะ แต่เราบังคับบัญชาสิ่งต่างได้นั่นหละจิงกลายเป็นตัวเป็นตนของเราอีกนะเพราะว่าสิ่งต่างก็เรียกว่าสังโยชนิสินีผู้ใดที่ละสังโยชนิ10บได้ก็เป็นพระรหันต์นะแต่ว่าสังโยชน์ตัวแรกก็คือสักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐิก็คือความที่เรายึดมั่นในความเป็นตัวเป็นตนนี่แหละว่าเป็นตัวเป็นตนของเราทั้งหลายและนะกายและใจเป็นของเราเป็นของข้าพเจ้าเนี่ย เมื่อเราสามารถละสักการะถิ่นได้แล้วนะทุกอย่างมันก็จบในตรงนี้เมื่อเราละได้มันก็ตัวตนเราไม่มีสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับตัวเรามันก็พลอยไม่มีไปด้วยนะมันก็วางไปทั้งหมดอยู่แล้วนะทางกายและใจอยเนี่ยเขาก็ทําหน้าที่ของเข้าไปตามใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เขาก็ทําหน้าที่ของเข้าไปเราจะไปห้ามเขาทาหน้าที่ไม่ได้นะใจก็มีหน้าที่คิดก็คิดไปก็เป็นเรื่องของเขาเองเราไปบังคับเขาหยุดคิดก็ไม่ได้ เขาจะกโกรธก็จะรักเขาจะชังเราก็ห้ามเขาไม่ได้อีกน ะ, ะก็เป็นเรื่องที่ว่าใจเขาทําหน้าที่ของเขาไปเช่นนั้นเองเพราะเรารู้แล้วว่าใจไม่ใช่เราแล้วเนี่ยเราก็ไปห้ามก็ไม่ได้เราก็ไม่ไปทุกขในตรงนั้นอีกนะบางคนปฏิบัติธรรมมาหลายปีแล้วเออยังสงสัยว่าทําไมเรายังมีความหลงอยู่นะทำไมเรายังฟุ้งซ่านอยูอ่เรามีความกโกรธมีความรักความชังอยู่ตรงนี้เพราะว่าเรายังไม่เข้าใจว่าใจเนี่ยมันไม่ใช่เราไม่ตัวไม่ตน เราก็ไปยึดว่าเป็นเราอยู่แล้วก็ว่าเออเราไปวัดต้องหลายปีทําไมเรายังโกรธยังรักยังชังยังหลงยังฟุ้งซ่านอยู่นะตรงนี้เรายัางเข้าไม่ถึงไสยธรรมความจริงว่าไม่ตัวไม่ตนของเรานะแต่เราเข้าใจในตรงนี้แล้วก็คือความโลภความโกรธความหลงมีอยู่ได้สามารถมีอยู่ได้ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีแต่เมื่อเขามีแล้วมันก็เป็นเรื่องของเขาเองเป็นเรื่องของจิตใจซึ่งจิตใจก็ไม่ใช่ตัวไม่ตนของเราอยู่แล้วนะ มันจึงไม่ใช่ของเราาจิตมันก็เลยวางได้จริงๆริเพราะเราจะไปห้ามสิ่งต่างๆนี่ยไม่ได้หรอกแล้วว่า เ, ออเมื่อเราไปปฏิธรรมแล้วกิเลสต่างๆอย่ากเกิดขึ้นมาในใจเรานะเราห้ามก็ไม่ได้นะเพราะเป็นเรื่องของสภาวะธรรมเป็นเรื่องของจิตใจจิตใจไม่ใช่ตัวเมตตนของเราแล้วนะเพราะฉะนั้นสิ่งอาการสิ่งที่เกิดขึ้นสแสดงออกของจิตใจก็คืออาการของจิตนั่นเองนะอาการของจิตก็คือความโลภความโกรธความหลงนี่แหละเมื่อเขาสแสดงอาการของเขาออกมาแล้วนะ ถ้าเรามีความทุกข์ใจอยู่ไหม <c oughs> มีความทุกข์ใจอยู่ไหมว่าเขาแสดงการอย่างนั้นนะอะเราทุกข์เพรา ะ, ะอะไรเพราะเราไปยึดว่าเป็นของเรานั่นเองนะอะแต่ถ้าเขาแสดงการออกมาอย่าง Glass, นั้นแล้วน่ะถ้าเราเข้าใจในสภาวะความเป็นจริงในความไม่ตัวไม่ตนแล้วเราก็ไม่ไปยึดในตรงนั้นว่าเป็นของเราะเมื่อเราไม่ไปยึดเขาก็วางเขาเองได้นะวางไปเลยนะเพราะเราไม่ให้ความสําคัญไม่ให้ค่าไม่ให้น้ําหนักในตรงนั้นแล้วเขาก็วางเขาเองได้เลย นี่หละจริงว่าเป็นผู้รู้เป็น ผ, ผู้ดูเป็นผู้รู้เฉยๆจริงๆเพราะเราไม่มีส่วนใดเสียในตรงนั้นแล้วนะเมื่อเขาวางก็กจบเขาก็อยู่ไม่ได้เขาก็เก้อเขินก็ไปอย่างเขาเองนะเขาอยู่ในใจเราไม่ได้หรอกเพราะว่าใจอารมณ์เป็นคนละตัวกันนะอารมณ์เนี่ยเขาเรียกว่าเกิดมาชั่วคราวถ้าใจเราไม่ไปยึดของเราเขาก็ไปของขาอยู่แล้วนะไปเลยแต่เมื่อเกิดอารมณ์ต่างๆเพราะใจเราไปยึดว่าเป็นเราปั๊บเนี่ย เราโกเรารักเราชังเขาก็อยู่กับเรานาน navigation. เขาก็บนบนอยู่ในความคิดนั่นแหละไม่ออกไปอย่างรวดเร็วนะตรงนี้เกิดจากการที่เราไปยึดไปติดไปไปให้ค่ากับเข้าในตรงนั้นเขาก็อยู่กับเรานานแต่เมื่อเขากเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เขาจะเกิดขึ้นเพราะตราบใดที่จิตยังมีอยู่นะเขาก็มีการเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแต่เมื่อเขากเกิดขึ้นแล้วเราไม่ไปให้ค่าไม่ไปยึดมั่นว่าเป็นของเราเขาก็ผ่านผ่านเลยไปทันทีนะ ผ่านเลยไปไม่มากระทบกับใจัยเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะอยู่เคาะกับสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นได้แล้วก็ไม่ทุกขี่ต่อไปแล้วนะเห <_ d ance> มือนกับคนที่นะนะพยายามไปบัตรธรรมเพื่อที่จะละทั้งหลายนั่นแหละมันจริงๆแล้วมันละไม่ได้น ะ, นะอยู่ที่ว่าเราอยู่กับเขาได้ไหมนะเพราะสภาวะธรรมเป็นสิ่งที่เราจะไปละจริงๆเนี่ยไม่ได้นะเพราะเราจะไปละอะไรนะเราจะไปละความโกรธนะความโกรธขนาดนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นนะนะ เราจะไปละความโกรธได้อย่างไรในเมื่อความโกรธจะไม่เกิดขึ้นแต่เมื่อเขาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะไม่ให้ค่ากับเขาได้ไหมก็คือเราอยู่เขาแบบไม่ให้ค่าได้ไหมเนี่ยเขาก็จากไปเท่านั้นเองนะแต่เราไปให้ค่าว่าเออเราโกรธขึนอีกแล้วนะนั่นแหละก็เป็นความทุกข์เราอีกต่อไปเป็นความจิดมั่นในตัวความเป็นตัวเป็นตนเรายังไม่เห็นจริงๆเลยว่าเรายัางว่าเขาเป็นแค่รูปแนามไม่ใช่ของเราตรงนี้เราก็มีความทุกข์ตลอดไปนะเพราะฉะนั้นการวัาธรรก็ก ค, กคือกลับมารูความจริง ในกายและใจนี่แหละว่าไม่ใช่ตัวเมตนไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาบังคับมันใช้ไม่ได้มีแต่ความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคือความเป็นอ น, นิจจังมีแต่ความทุกขังคือความที่ทนอยู่ในภาวะเดิมไม่ได้เนี่ยเมื่อเข้าใจเช่นนี้แล้วจิตมันก็จะวางเราก็เองได้จริงๆนะมันวางแล้วมันก็ไม่ทุกข์ต่อไปตรงเนี้ยมันก็เป็นการที่เรียกว่าเราอยู่กับโลกได้โดยที่เราไม่ติดกับโลกนะไม่จมไม่แช่ไม่ขัดข้อง ไม่ติดคลองคาอยู่กับโลกอีกต่อไปนะเราก็จะเห็นว่าเอออย่างเนี้ยอย่างที่พระเจ้าบอกนะว่าอโลกนี้เปรียกดังราชรถอันวิจิตอันคนเขาบอมกอยู่แต่ผู้รู้หาคลองอยู่ไม่นะก็คือโลกนี้มันก็จริงๆแล้วมันก็เป็นความทุกข์นะแต่คนเขาก็ยังบอกอยู่เพราะว่าเขาเข้าใจว่าความทุกข์เป็นความสุข ก, นะก็คือเข้าใจในว่ารูปรสกลิ่นเสียงผลทัพอะธรรมรมนี้ก็คือความสุข ตนนั้นาก็เลยสแสวงหาความสุขในทางรูปบ้างเสียงบ้างจมูกบ้างกิน่นรสผดภทภพะ ค, คือการกระทบสิ่งที่เย็นสิ่งที่นุ่มสิ่งที่ให้ความสุขทางกายนะให้ใจเสพแต่ความสุขนะเพราะว่าเขายังติดใ น, ในความทุกขนะ์หรือติดในโลกนั่นเองนะไม่รู้ว่าโลกนี้มัเนเป็นความทุกข์ก็เรียกว่าไปหมกไปจมอยูนะ่แล้วก็ไปสแสวงหาไม่มีที่สิ้นสุด สแสวงหาเพื่อที่จะสนองตันหาไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแล้วมันจะไปสิ้นสุดตรงไหนก็คือสิ้นสุดตรงที่มันไม่จบนั่นเองนะก็คือต้องไปเวียนว่ายตายเกิดต่อแต่ถ้าเราเข้าใจตรงนี้ว่าโลกนี้ทั้งหมดนี้มันก็เป็นแค่ความเป็นความทุกข์นั่นเองนะอย่างที่คุณหมอเปิเมื่อวานว่ามีแต่ความทุกข์เกิดขึ้นทุกนั้นตั้งอยู่ทุกนั้นดับไปตรงนี้ถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราก็ก็เห็นว่าเออ จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปสแสวงหาอะไรอีกแล้วเพราะมันมีแต่ความทุกข์นะมันก็ไม่เป็นสแสวงหารูปรสกลิ่นเสียงผลธ่าผาธรรมรมเพื่อที่จะมาสนองกินอะไในใจเรานะเมื่อมันไม่มาสนองตั้หาในใจเราก็ไม่กำเริบขึ้นมานะใจเราก็จะเป็นปกติได้ง่ายขึ้นนะใจเราก็ไม่ไปปรุงแต่งนะตรงเนี้ยเมื่อเข้าใจตรงนี้แล้วใจมันก็จะปล่อยวางได้เร็วขึ้นนะนะเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่วัดนี้มันจึงว่าไม่ใช่ว่าเวลานี้เวลา ออกพรรษาเราจะไปเที่ยวโลกภายนอกนะอนนั้นก็คือไปแสวงหารูปรสกลิ่นเสียงผดธาตุธรรมลมไปแสวงกันหามาสนองใจของเราให้เราจมในการความทุกข์กันต่อไปแต่เราเข้าใจเออมันก็ออกพรรษาก็คือเรื่องธรรมดาเราก็ไม่ต้องไปออกไปแสวงหาความสุขในทางโลกเราก็อยู่ตรงนี้อยู่กับความจริงในตรงนี้ในความเปลี่ยนแปลงความทุกข์และความเบลนตาแล้วเราอยู่กับเขาได้ไหมนะถ้าเราอยู่กับเขาได้เราก็ไม่ทุกข์กันต่อไป นะตรงนี้จึงว่าไม่มีความต่างกันระหว่างออกพรรษาและเข้าพรรษาเนะพระทุกอย่างมันก็คือกฎพระไตรักษนั่นเองนะนะถ้าเรายอมรับความจริงได้เราก็อยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกนี้นะไม่มีความที่ว่าเราจะไปติดอยู่ไปคลองคาอยู่นะมันก็พ้นจากความทุกข์ได้นะแต่ถ้าเราเข้าไปสู่ในทางโลกแล้วเรายังไ่ติดไปข้องไปคานะในรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐพัทธมลลมนะติดอยู่ในตัณหาในกิเลสมันก็มีแต่ความทุกข์มากขึ้นเท่านั้นเองนะนะนะเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ที่ใด ก็แล้วแต่นะอยู่ในวัดนอกวัดออกพรรษาเข้าพรรษาถ้าเราอยู่แบบเป็นผู้รู้ผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นเป็นผู้เห็นไม่เป็นผู้เป็นนั่นแหละเราจะพน้นจากความทุ ก, ทนะกข์กนนกกได้อย่างแท้จริงนะขอทุกท่านพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริงทุกท่านเธอ